หนังสือเล่ม น, นี้นะคะจัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนะคะของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพเป็นที่ะระลึกนะคะก็จัดพิมพ์แล้วก็แจกเมื่อวันที่27สิงหาคม2543นะคะแล้วก็มีคําชี้แจงในการพิมพ์ดิฉันอ่านคําชี้แจงไปเป็นที่เรียบร้อยคํานําไปแล้วตอนนี้ก็เหลือคําชี้แจงในการพิมพ์แต่ละครั้งนะคะครั้งที่สี่เนี่ย พระธรรมมะปาโมกผู้มีการสำนักงานมหามกุฎราชวิทยาลัย1ิกันยายน2490ท่านเขียนไว้ว่าหนังสือใต้ร่วมการสาวัสดซึ่งมหามกุฎตีพิมพ์ออกจำหน่ายเป็นครั้งที่สามจำนวน 2,000 เล่มเมื่อพุทธศักราช2487นั้นบัตรนี้จำหน่ายหมดแล้วแต่ผู้ต้องการยังไม่หมดมีคำถามอยู่เนือง สมควรจัดพิมพ์ขึ้นอีกเพื่อให้สำเร็จผลตาวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและฟื้นฟูบำรุงศีลธรรมของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในการตีพิมพ์คราวนี้ได้แก้ตัวอักษรให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมและเพิ่มบันทึกคำวิจาร์เรื่องวันเดือนปีในบทที่แปดเวบุละ บรรพท์ซึ่งมีผู้เขียนลงในหนังสือธรรมจักสุบันทึกนั้นให้เหตุผลและแสดงแนวความคิดว่าแยบคายอยู่ควรรู้นน่นก็ส่งคุณค่าของหนังสือให้สูงขึ้นแล้วก็มีคำนำคำชี้แจงในการพิมพ์ครั้งที่ห้านะคะแบบโอ้โหพิมพ์ถึงครั้งที่หกคำชี้แจ ง, ก, งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ชี้แจงคล้ายๆกันก็คือว่าหนังสือหมดค่ะ มีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็แสดงว่าเล่มนี้นี่หลายหลายท่านติดตามทีนี้มาเข้าสู่เนื้อเรื่องต้าร่วมการเสาวพัฒกันเลยนะคะ ซึ่งตามสเสด็จพระผู้มีพระภาคไปตามชวนบทต่างๆแข่แคว้นโกสลระหว่างฮิมาลัยบรรพตกับลุ่มแม่คงคาตอนต้นจนกระทั่งมาใกล้เมืองสาวัตถีราชธานีของแคว้นนี้โดยลำดับนั้นมีพิสุรูปหนึ่งร่างสูงใหญ่สังเกตได้ว่าแม้อายุจะยังไม่ถึงยี่สิห้าก็คงไม่น้อยไปกว่านั้นเท่าไหร่นักท่านทอดจักสุพอประมาณถึงจะมีผิวกายครัา แสดงให้เห็นความเป็นผู้ตรากตรำยิ่งกว่าพิสุอื่นแต่กริยาที่เดินสํารวมตามพระผู้มีพระภาคไปเรื่อยๆนั้นบ่งว่าท่านเป็นผู้มีจิตสงบและพอใจในวิเวกลักษณะที่หอมจีวรและเกษาอันสั้นกว่าพิสุทั้งหลายของท่านส่อความเป็นผู้มาใหม่ในพระธรรมวิ น, นัยนี้ชาวเมืองสาวัตถีพากันชื่นชมในข่าวเสด็จของพระผู้มีพระภาค เหล่าพิสุในเชตวนารามเตรียมปัดกวาดเซนาสนะและพระคันทากุดีเป็นการใหญ่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วออกจากประตูเมืองไปไม่ไกลนักก็ถึงเชตวนารามซึ่งอนาถบินทิกะขะบดีสร้างถวายตามปกติ เมื่อพระองค์ประทับณเชตวาวณารามเวลาเย็นชาวเมืองจะพากันถือดอกไม้ของหอมเป็นต้นมาถวายส ก, การะบูชาและสดับพระธรรมเทศนาคนที่บ้างมีก็นั่งรถเทียมด้วยมา้าทั้งเวลามาและกลับเมืองสาวถีแม้จะไม่ใช่เมืองที่ตั้งอยู่หน้ารุ่มแม่น้ําคงคาเหมือนเมืองสังกัดหรือเมืองพาราณสีแต่ก็มีความเจริญไม่น้อยกว่าเมืองเหล่านั้น เมืองพารรณสีมีท่าอาบน้ำเป็นขั้นลงไปสู่แม่น้ำคงคายาวเกือบถึงยอดเป็นเมืองที่ประชาชนในแคว้นต่างๆพากันเดินทางมาพักแรมเพื่อลงสนานกายในแม่คงคาซึ่งถือกันว่าไหลมาแต่สวรรค์ผ่านเสียนพระศิวะจึงเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถล้างบาปได้บนฝั่งน้ำใกล้เคียงจะแลเห็นหมูโยกีทรมานตนด้วยอาการต่างๆ เมืองพาราณสีกลายเป็นบุญนครของผู้นับถือศาสนาพราหมณ์มีนักบุญจาริกพากันเดินทางมาแต่สี่ทิศชันใดเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเสด็จจาริกสั่งสอนประชุมชนไปในคามะนิคมชนบทและราชธานีต่างๆ ทรงยับยั้งอาศัยเมืองสาวัตถีราชธานีของแคว้นโกศลเป็นเวลา25ปีคือประทับณเชตวนารามของอนาถบินทิกะกาหาบดี19ปีประทับณบุพารามของวิสาขามาหาอุบาสิกา6ปีอาศัยความที่พระองค์ประทับณเมืองนี้นานกว่าที่อื่นและเมืองนี้ก็มีมนุษย์คับข้่งเพราะเป็นเมืองหลวงของแคว้นอิสระ อันมีอาณาเขตกว้างขวางจึงเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการไปมาของพวกพ่อค้ามหาชนตลอดจนนักบวชในพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาจากแคว้นต่างๆเพื่อถวายบังคมพระผู้มีพระภาคและนักบวชแห่งลทัทธิอื่นๆก็มีมากที่พากันมาไต่าถามปัญหา ยิ่งกว่านั้นยังมีเศรษฐีและขฤรืหาบดีผู้ได้ฟังธรรมเทศนาของพระสาวกใคร่จะเฝ้าพระบรมสัสสดาพากันใช้เกวียนนับด้วยจำนวนร้อยเดินทางมาบำเพ็ญกุศลสดับพระพุทธโอวาสเมืองสาวถีจึงกลายเป็นบุญยะนครแห่งพระพุทธศาสนาฉันเดียวกับเมืองพระนสีด้วยประการชนี้ คุณดูฟังคะ่ะระหว่างที่ดิฉันอ่านเนี่ยอาจารย์ท่านก็จะมีการอธิบายความยังคำว่าที่ท่านอธิบายนะคะเดี๋ยวดูหมาเล็กหนึ่งแป๊บหนึ่งคะ่ะทรงยับยัง้งอาศัยเมืองสาวัตถีราชธานีของแคว้นโกศลเป็นเวลายี่สิบห้าปีคือประทับนเชตะวนารามของอนาถบินทิกะ ขารือษาบดีสิบเก้าปีประทับณะบุพารามของวิสาขามหาอุบาสิกาหกปีท่านอาจารย์ก็มีการเป็นภาพผนวกไว้ข้างล่างนะคะว่าดูจากดูจากขุปาลวัตถุธรรมะปะทัตถะคะถาปฐมภาคคือว่าต้องไปค้นหาในพระไตรปิฎกตรงนั้นตรงนี้นะคะหลายๆจุดด้วยกันแต่ดิฉันขอห้ามละกันนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แคว้นโกสลมีพระราชาปกครองพระนามว่าพระเจ้าประส enti ในแบางแห่งเรียกชื่อแคว้นต่อท้ายพระนามว่าพระเจ้าประสณท t i โกศลโดยปกติพระองค์ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีราชธานีจะเสด็จออกตรวจตามชนบทในพระราชอาณาเขตบ้างเป็นบางครั้งบางคราว ในอดีตการแคว้นโกศลกับกาศีมีพระราชาปกครองแต่ผู้เดียวดำรงพระยศเป็นมหาราชตั้งราชสำนักอยู่หน้าเมืองสาวัตถีแม้ในครั้งพุทธกาลก็ยังปกครองรวมกันแต่พระเจ้าประสิทธิได้ทรงมอบให้พระอนุชา ต, ต่างมันดาของพระองค์ปกครองมีอำนาจอยู่ในเมืองพราราสีราชธานีของแคว้นกาศีพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็น โอรสของพระเจ้ามหาโกศลเมื่อยังอยู่ในวัยศึกษาได้เสด็จไปเมืองตักกสิลานครหลวงแห่งแคว้นคันธาระพร้อมกับเจ้าลฤาวีพระนามว่ามหาลิแห่งเมืองภัยสาลีและเจ้าพันธุระบุตรมลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราเมื่อกลับจากศึกษาแล้วพระราชบิดาก็อภิเษกให้ครองราชสมบัติ พระเจ้ามหาโกศลยกพระราชธิดาซึ่งเป็นกนิษฐะพัินีของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระนามว่าเวเทหิให้เป็นอัครมหาเศษของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินแคว้นมคตกับยกกาสิกามอันมีอนณาเขตกว้างขวางยิ่งตั้งอยู่ระหว่างแคว้นมคตกับแคว้นโกศลให้แก่พระราชธิดาด้วย เมื่อสิ้นบุญพระเจ้าพินพิศาและพระนางเวเทหิแล้วพระเจ้าอัชาศัตรูผู้โอรสซึ่งครองแคว้นมคตต่อมาก็ถือว่าแคว้นกาศีเป็นของพระราชมันดาของพระองค์ข้างพระเจ้าประเเสนที่โกศลก็ถือว่าแคว้นนี้พระราชบิดายกให้แก่น้องสาวของเราก็จริงแต่เมื่อนางสิ้นชีวิตแล้วแคว้นนี้ก็ควรตกเป็นของเราผู้พี่ลุง มงเล็บพระเจ้าประเส enti กับหลานมงเล็บพระเจ้าอาชาตศัตรูต่างเกี่ยงแย่งกาสิคามและทำสงครามรบพุ่งกันเพื่อแย่งเขตแดนดังกล่าวนี้ผลักกันแพ้ชนะหลายครั้งหลายคราวพระเจ้าประเส enti แพ้ถึงสามครั้งเสียพระหารุไทยว่าแพ้เด็กปากยังไม่ทันสิ้นกลิ่นน้ำนมแต่ครั้งหลังที่สุดพระเจ้าประส e n ธิโกศลชนะจับพระเจ้าอาชาตศัตรูได้ เห็นว่าเป็นหลานจึงปล่อยไปเพียงแต่รีบไล่ผลไว้ความกระทบกระทั่งระหว่างแคว้นโกศลกับมคธและแคว้นมคธกับวชัชีซึ่งมีเมืองภัยาลีเป็นราชธานีเป็นเหตุให้พระราชาแห่งแคว้นนั้นๆต้องระมัดระวังความเคลื่อนไหวของกันและกันต้องส่งคนสอดแนมไปในแคว้นอื่นด้วยอุบายต่างๆดังเรื่องที่ปรากฏคือ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับที่ประสาทของวิสาขามหาอุบาสิกาในบุพพาพารามขณะเมื่อพระองค์เสด็จออกจากที่เร้นในเวลายเย็นประทับนั่งนภายนอกซุ้มประตูพระเจ้าประสิทธิ์ที่ก็เสด็จไปเฝ้าทันใดนั้นมีนักบวชและที่ต่างๆคือชลิ7เจ็ดนิครนเจ็ดอาเจลกะเจ็ดเอกาสา ดะกะนิกรนเจ็ดและปริพาชกเจ็ดคนรวมสามสิบห้าคนเป็นผู้ไว้ขนรักแร้ยาวและเล็บยาวถือบริขารต่างย่างเดินผ่านไปในที่ในไกลพระผู้มีพระภาคนักบวชพวกนี้แท้จริงเป็นจารบุรุษซึ่งพระเจ้าประสิทธิ์ที่โศสลส่งไปสอดแนมเหตุการณ์ตามชนบทต่างๆกำลังเดินทางกลับมา พระเจ้าประเสนที่โกศลใครจะทดลองพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จลุกจากอาจคุกพระชานุลงข้างหนึ่งทำอัญชลีต่อนักบวชเหล่านั้นและประกาศพระนามของพระองค์ขึ้นสามครั้งครั้นแล้วหันมาทูลพระผู้มีพระภาคว่านักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหัน์รูปใดรูปหนึ่งในโลกพระศาสดาทรงทราบดีว่าถ้าตรัสตอบว่าพวกนั้นไม่เป็นพระอรหันต ที่แท้เป็นคนหนาแน่นด้วยกิเลสก็จะเป็นการยกพระองค์และเหยียบย่มอีกฝ่ายหนึ่งถ้าจะยอมรับว่าพวกนี้เป็นพระอรหันต์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลนก็จะดูแคลนพระสัพพายุตาานได้จึงได้ตรัสต่อเป็นกลา ง, ลางโดยทางธรรมว่ามหาบาพิษพระองค์บริโภค ก, กามยากที่จะทรงทราบว่าคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่ ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการทำงานกำลังใจพึงรู้ได้ในเวลามีอันตรายและพึงรู้ได้โดยการนานๆปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนากันและต้องสนทนานา น, า น, า น, านพระเจ้าประเสริฐทโกศลอัศจรรย์ญญพระราชฤลทยัยรับรองความที่พระผู้มีประภาค สรัดชอบแล้วและรับว่านักบวชเหล่านั้นคือจารบุรุษคนสอดแนมของพระองค์และกล่าวในทางาศาสนาในเมืองสาวัตถีนี้พระเจ้าประเสนทิโกศลและมหาชนได้แข่งกันถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพิสุสงโดยวิธีเพิ่มของเคี้ยวของฉันที่หาได้ยากให้ยิ่งขึ้นไปกว่ากันซึ่งในที่สุดพระเจ้าประเสฐทิโกศลเป็นฝ่ายชานะ ณเมืองสาวถีนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมโปรดโปดทะปาทะปริภาชกพร้อมด้วยบริวารสามพัน 3, คนผู้พมนักอยู่ในมลิการามอันเป็นที่บอกลัทธิมีต้นมะพร้าเปลี่ยงรายอยู่รอบมีศาลาหลังเดียวให้โปดทะปาทะปริภาชกและความเห็นเดิมของตนปฏิญาณตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตนอกจากนั้นยังมีพราหมณ์ขรุหบดีเดียรถีปริภาชกอีกเป็นอันมากซึ่งได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วละลัที่เดิมของตนปฏิญาณตนเป็นอุบาสกบ้างขอบรรพชาอุปสมบทบ้างตามศรัทธาอนาถาบินทิกะขรุหบดีและนางวิสาขาชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้มีอุปการะมากที่สุด ตลอดเวลาที่พระศัสดาประทับอาศัยเมืองสาวัตถีพิสุสงนับด้วยจำนวนร้อยและพันได้อาศัยสองตระกูลนี้เป็นอยู่โดยมากเฉพาะอนาถบินทิกาคฤหบดีมีความรักและเกรงพระหฤทัยพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งแม้แทบทุกเวลายเย็นไปฟังพระธรรมเทศนาก็ไม่ไปไต่ถามปัญหาใดๆด้วยคิดว่าพระองค์เป็นกษัตริย์สุขุ ม, มานชาต อย่าได้ลำบากเพราะการตอบคำถามของเราเลยเมืองสาวัตถีเป็นราชธานีที่นับว่ามีฐานะสำคัญทั้งในทางโลกและทางศาสนาดังกล่าวมานี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจารึกไปตามชนบทต่างๆชั่วคราวในที่สุดมาประทัยบยับยั้งอยู่ณเชตวนารามอีกพุทธบริษัทคือพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกา จึงพากันชื่นชมในข่าวนี้และในวันต่อมาก็พากันมาเฝ้าสะดับพระธรรมเทศนาตามโอกาสของตนเกิดนำใต้ร่มกาสโวภพัฒ์บทแรกไปแล้วนะคะในบทที่ชื่อว่า ใต้ร่มกาสาวพัดนะคะก็เกินนาต่างๆไปเดี๋ยวจะเริ่มบทที่หนึ่งบ่าวโจร น, นะคะก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ว่าภาษาที่อาจารย์ใช้นี่ค่อนข้างจะไพเราะมากแล้วก็เป็นภาษาที่อิงจากพระไตรปิฎกรุ่นล้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะฟังยากสักหน่อยแต่ก็รื่นหู ด, ดีนะคะทีฉันอ่านยังรู้สึกเพลิดเพลินไปเลย ะะเดี๋ยววันพฤหัสบดีหน้าเนี่ยฟังกงันต่อได้นะคะเป็นหนังสือแต้ร่วมการสาวพัคของท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพที่พิมแจกนะคะในงานพระราชทานเพลิงศพนายสุชีปุญญานุภาพที่เมนวัดเทพสรินทาวาสเมื่อวันที่27สิงหาคม2513ค่ะ ก็เป็นผลงานที่ภรรยาของท่านอาจารย์เนี่ยนำมาพิมพ์แจกเพราะว่าเห็นผลงานนี้โดดเด่นอยู่บนโต๊ะท่านอาจารย์ภายหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตแล้วนะคะก็ไปเห็นผลงานเล่ม น, นี้โดดเด่นอยู่บนโต๊ะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะพิมพ์แจกดิฉนันก็เป็นบุญนะคะที่ได้มาอาา่านหนังสือเล่ม น, นี้นะคะเป็นหนังสือที่อ่าแล้วไพเราะเพราะกินใจมากนะคะคาแต่ละคํานี้สล่อดสวยก็ขอให้ผลบุญที่เราได้เข้าใจในหลักธรรมใน ทางพระพุทธศาสนามากขึ้นส่งผลให้ท่านอาจารย์สุชีพเป็นยนุภาพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่พบไหนชาติไหนขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็เป็นร่มโพล่ร่มใส่ของพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ก็ให้ฟังเพลงบรรเลงเพราะๆจากคุณสายชรเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจบบทที่หนึ่งพอดีจะได้พอดีกันแต่ละบทแล้วก็คุณผู้ฟังก็บางทีถ้าเขาเปิดเทมไม่จบอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้ไม่ขัดจังหวะนะคะ ทีนี้ก่อนจะจากกันไปทิ้งที่เนื้อติดกระดูกของอาจารย์เฉียนพงวันปกค่คะบทนี้ชื่อว่าแม่กับลูกอาจารย์เขาจะแปลมาคล้ายๆกับเป็นนิทานเซนเนะคะชวนเป็นอาจารย์โซโตเซนเมื่อสมัยชวนเป็นนักเรียนบิดาได้ถึงแก่กรรมทิ้งกันไว้ในความดูแลของมารดาแต่ผู้เดียว เมื่อชวนดวดจึงได้ดูแลมารดาเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกครั้งที่ไปห อ, อกรรมาฐานท่านก็มักพามารดาไปด้วยแต่เพราะมีมารดาไปด้วยท่านจึงไม่พักวัดกับพวกพิสุทั้งหลายต่อมาเพื่อตัดปัญหานี้ท่านจึงสร้างบ้านเล็กๆให้มารดาอยู่ในบริเวณวัดอาศัยปัจจัยที่ได้รับจากการรับจ้างคัดลอกพระสูตรและกะวีนิพนธ์ไปซื้ออาหารมาเลี้ยงมารดาเวลาท่านไปซื้อปลามาให้มารดา ประชาชนต่างพากันพูดจากระทบกระเทียบต่างๆนานาเพราะพระเซนจะไม่ฉันเนื้อหรือปลาวงเล็บฉันเจแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจใครจะเข้าใจผิดอย่างไรก็ช่างมารดาท่านทนดูลูกชายถูกเขาดูหมิน่นเพราะว่าตนเป็นเหตุไม่ได้จึงพูดกับพระลูกชายว่าแม่คิดว่าแม่บวชชีดีกว่าแม่กินเจได้เหมือนกันแล้วมารดาท่านก็บวชชีเล่าเรียนพระธรรมเช่นเดียวกับท่าน โดยปกติชวนกับมันดาชอบดนตรีมากเล่นฮาร์เก่งทั้งคู่ถึงคืนเพนคืนหนึ่งทั้งสองเล่นดนตรีอยู่ด้วยกันพอดีมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านมาทั้งนั้นได้ยินเสียงดนตรีทำให้รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากจึงนิมนต์ท่านไปเล่นดนตรีให้ฟังที่บ้านชวนก็รับ อสอาวันให้หลังท่านเจอหญิงสาวคนนั้นกลางถนนท่านจึงเข้าไปสนทนาปราศัยขอบอกขอบใจที่ต้อนรับขับสู้เมื่อวันนั้นเป็นอย่างดีชาวบ้านพากันเยาะเย้ยที่พระเจ้าไปเยี่ยมสาวถึงบ้านกล่าวหนึ่งท่านเดินทางไปบรรยายธรรมอย่างวัดต่างจังหวัดเสียหลายเดือนเมื่อกลับมาได้ทราบว่า มารดาถึงแก่กรรมเสียแล้วมิสหายของท่านพยายามติดต่อท่านแต่ติดต่อไม่ได้จึงทำพิธีฝังศพมารดาของท่านพอดีท่านกลับมาทันขณะที่พิธีกำลังดำเนินอยู่ท่านได้เดินไปยังลงศพโยมารดาและเอาไม้เท้าเคาะลงพลางพูดว่าโยมแม่ลูกกลับมาแล้วแม่ดีใจมากที่ลูกกลับมาทันฝังแม่ท่านทาเสียงตอบแทนแม่ ลูกก็ดีใจเหมือนกันแล้วท่านก็ประกาศต่อหน้าแขกเรือว่าเสร็จพิธีนำศพไปฝังได้เมื่อท่านชรารู้ว่าตนจะถึงแก่มรณภาพวันหนึ่งจึงได้เรียกสิทยิยานุสิตมหาบอกว่าท่านจะจากไปตอนบ่ายจุดทูกบูชามรรดาและครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็เขียนคำกรอนอำลาไว้ว่าห้าสิบหกพันษาผ่านมานี้พยายามทาดีอย่างที่สุด อุสาพแพ้่ถางทางไปวิมุตติขณะอยู่มนุษย์โลกโลกีพระพิรุณโปรยปลายหายขาดแล้วหมดเมฆฟ้าฟ้าก็แพร่ผุดผ่องสีท้องฟ้าสีน้ำเงินก็พันมีรัชนีเพนสองเป็นยองใหญ่บรรดาลูกศิษย์ท่านพากันมานั่งล้อมวงสวดพระสูตร ท่านถึงแก่มรณภาพในขณะที่เสียงสงวัทยายดังกล้องอยู่นั้นแหละดิฉันไม่แน่ใจว่าเสียงสวดมนต์หรือเปล่านะคะก็จบเรื่องสั้นๆจากเนื้อติดกระดูกที่อาจารย์เสียมพงษ์แปลมาจากนิทานเซนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ที่แค่ลมปากคนค่ะก็หนึ่งนาทีเพื่อชีวิตในหนังสือเล่มนี้นะคะของพระธรรมกิติวงศ์ท่านเป็นราชบัณฑิตค่ะ นินทาหรือได้รับการสรรเสริญต้องมีสติคือต้องพิจารณาให้ดีว่าที่เขาด่าว่านินทาหรือที่เขาชมสรรเสริญนั้นมีความจริงเพียงใดควรปรับปรุงตัวหรือไม่เพราะเมื่อคนดีชมก็เป็นอันชมเมื่อตำหนิ ก, ก็เป็นอันตำหนิควรรับฟังเป็นอย่างยิ่งเท่ากับเป็นกระจกเงาให้แต่ถ้าคนทานติหรือชมมักเอาแน่ไม่ได้ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ทำตัวให้เหมือนเป็นภูเขาหินล้วนไว้เป็นดีเพราะคำนินทาหรือคำสรรเสริญของคนพานเอาเป็นประมาณไม่ได้คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการส่วนอักษรหมดลงแล้วคะ่ะ ดิฉันอัญชีสาลิกิตที่รุ่งเรืองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมกับคุณ ส, สัจจทรีโวังขดีหลกที่ทํานําเพลงบรรเลงเพราะพาะมาเปิดในรายการแล้วเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีหนะ้าวันนี้นะคะไปทําบุญที่ไหนก็ทําบุญเผื่อด้วยค่ะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดียวที่เราชาวพุทธจะทําบุญกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ทําบุญหรือว่าทําความดีได้นะคะขอให้เ อ, อ่อ ทำแต่ความดีนะคะสิ่งในที่เป็นสิ่งที่บิดเบี้ยวผู้อื่นนั้นอย่าทาเลยล่ะค่ะเป็นบาปนะคะแล้วก็เข้าบรรษานี้ก็อาจจะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์กันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยวันนี้ที่ฉันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ